มีคนเคยนำภาพอาจารย์มหาบัวไปให้หลวงปูด่ดูอธิษฐานจิตท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันตนะ์องค์เนี้กราบขอขามาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่านเวีา น, นี้หากเกิดการไม่สมควรหรือบกพร่องในการถ่ายทอดบทความและคำกล่าวของทุกทุกท่าน